ผู้ป่วยมีศรัทธาแต่อย่างเสียใจและห่วงใยจัดทำโดยนงนภัทรยงมาละวงผู้ป่วยบางคนจมอยู่กับความเศร้าโศกอาจจะเพราะประสบความล้มเหลวทางธุรกิจสูญเสียทรัพย์สินวันเกรงว่าลูกหลานจะต้องลำบากเพราะความล้มเหลวของตนจึงคิดมากไม่เลิก และจากไปพร้อมกับความเศร้าโศกอะไรนั้นอันนี้ต้องให้ลูกหลานที่มีความจริงใจไม่ได้หวังสมบัติอยู่ก่อนมาช่วยพูดให้เห็นว่าจิตมีค่ากว่าเงินพ่อครับผมคันน้ำส้มมาให้จะต้องลำบากทำไมซื้อเอาก็ได้ยิ่งย่งอยู่ไม่ใช่เหรอซื้อเอาก็ไม่รู้สึกดีเท่าทำให้พ่อหรอกอ่ขอบใจนะลูก คุณพ่อเนี่ยสีหน้าไม่ดีเลยยังไม่ลืมเรื่องบ้านเลยครับจะให้ลืมได้ยังไงล่ะตอนนี้แล้วเนี่ยทุกเรื่องที่ทำให้สุขภาพย่าลงอะ่ะก็น่าจะลืมให้หมดนะอืม <c oughs> ก็มันสมบัติของย่าแกเนี่ยพ่อเนี่ยเสียใจละเกินที่เก็บรักษาไว้ถึงมือแกไม่ได้แต่ผมไม่เห็นรู้สึกเสียใจเลยนะพ่อส่งผมเรียนเพื่อเอาตัวให้รอดด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่เหรอผมมีคุมทรัพย์ไว้เลี้ยงชีวิตที่เหลือแน่อยู่แล้ว แล้วทำไมผมต้องคิดพึ่งพาสมบัติย่าอีกละ่ะก็ขอบใจนะที่พูดให้รู้สึกดีแต่ยังไงพ่อก็ต้องรู้สึกแย่อยู่วันยังค่ำนั่นแหละเงินที่พ่อหามาเองเนี่ยพอไม่เสียดายเลยที่ต้องเสียไปแต่สมบัติทรัพย์สินที่ย่าให้ไว้ต้องมาเสียไปหมดพร้อมกับการล้มละลายของพ่อเนี่ยล้มป่วยลงครั้งเนี้พ่อรู้สึกมันยังชดใช้ความผิดไม่ถึงครึ่งเลยก็พ่อไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนี่ครับ และวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเนี้ก็ไม่ใช่พ่อคนเดียวซะหน่อยที่ถูกผลักให้ล้มก็มีคนเตือนแล้วไงแต่พ่อไม่เชื่อเองเอาแต่เสียดายเนี่ยย้ำคิดไม่เลิกเลยว่าน่าจะโอนสมบัติเป็นชื่อของแกไว้นานละจะนอนแต่ละครั้งเนี่ยก็ปิดตาไม่สนิทเลยเอาแค่คิดว่ารักษาสมบัติของย่าแกไว้ไม่ได้ความรู้สึกไม่ต่างจากคนอกตันยูที่อยากจะกะตันยูเลยพ่อครับตอนย่าจากไปเนี่ย ย่าไปอย่างสงบใช่ไหมก็สงบนะดูยิ้มและเป็นสุขญ่าน่าจะกําลังอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับพ่อก็เชื่อเต็มร้อยนะแต่พ่อคงไม่มีหน้าไปพบญ่าบนสวรรค์และลูกเอ้ยพ่อครับสมมุตินะครับว่าถ้าพ่อกําลังอยู่บนสวรรค์กําลังเสวยทิพยสมบัติอย่างเป็นสุขเวลาพ่อคิดถึงผมเนี่ยพ่อจะคิดยังไงล่ะก็คงอยากให้ลูกมาเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ด้วยกันมั้ง ถ้าพ่อครองวิมานอยู่เย็นเป็นทิพย์และมียานอย่างรู้ว่าผมประสบความสำเร็จในการลงทุนมีทรัพย์สินมากกว่ามรดกที่พ่อให้ไว้สิบเท่าพ่อจะดีใจไปกับผมไหมดีใจสิลูกคงดีใจแล้วก็หายห่วงลูกสิกทีลูกสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทำให้สมบัติพัสถานงอกเงยได้พ่อแม่ที่ไหนก็ต้องลอยปลาปลื้มไม่ว่ายัางมีชีวิตอยู่บนโลกหรือขึ้นไปมีชีวิตอยู่บนสวรรค์แล้ว แ้วถ้าก่อนที่ผมจะมีมากขึ้นเป็นสิบเท่าผมจําเป็นต้องเอามรดกของพ่อไปขายเพื่อทําทุนเริ่มต้นเนี่ยพ่อจะโกรธผมไหมไม่โกรธเลยลูกอาจจะมีเสียใจบ้างตอนแรกที่รู้นะแต่พอลงเอยแล้วลูกทําให้ทรัพย์สินพ่อพูนขึ้นได้เนี่ยความดีใจก็คงกลบความเสียใจจนหมดละ่ะคราวเนี้เปลี่ยนใหม่นะครับถ้าผมเอามรดกของพ่อไปขายเพื่อทําทุนแต่กลับกลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวเพราะลงทุนผิดพลาด พ่อจะรู้สึกยังไงล่ะกับการสิ้นเนื้อประดาตัวของผมเนี่ยโกรธและอยากด่าผมหรือว่าเป็นห่วงอยากมาเข้าฝันเพื่อดลใจให้ผมอดทนสู้กับชะตาชีวิตอีกครั้งลูกเอ้ยที่พ่อทํางานหนักเนี่ยก็เพื่อให้ชีวิตของเรามั่นคงเสียอะไรไปเท่าไหร่ก็เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะได้อยู่อย่างสุขสบายมันเรื่องอะไรล่ะที่พ่ออยู่บนน้นแล้วเห็นหนูล้มเหลวจะโกรธเกรี้ยวอยากด่าทอลูกล่ะ แล้วไม่เสียดายมรดกที่พ่อให้ไว้หรอไม่เสียดายเลยแล้วไม่คิดว่าผมอกตันอยู่ที่รักษาสมบัติพ่อไว้ไม่ได้หรอครับเออไม่นะแล้วทําไมพ่อถึงคิดว่าคุณย่าจะกโกรธละ่ะทําไมถึงรู้สึกว่าไม่มีหน้าไปพบย่าอีกแล้วละ่ะในเมื่อคุณย่ากําลังเสวยทิพยสุขอยู่บนสวรรค์ไม่ได้เดือดร้อนกับสมบัติบนโลกที่ใครจะได้มาหรือเสียไปเลย ถ้าท่านทราบว่าตอนเนี้ยพ่อกำลังเป็นทุกข์อยู่กับการสูญเสียสมบัติคุณย่าก็คงไม่อยู่ในอารมณ์อยากเพ่งโทษอยากด่าทอหรอกตรงข้ามจะสงสารเห็นใจและคอยเอาใจช่วยให้พ่อผ่านพ้นเวลาเลวร้ายช่วงนี้ไปให้ได้เท่านั้นนะเออมันก็นะพ่อครับจิตวิญญาณชั้นสูงเนี่ยอยู่สูงได้ก็เพราะเห็นจิตสำคัญกว่าเงินเห็นกุศล น, น่าสั่งสมกว่าสมบัติ ชีวิตมนุษย์เนี่ยแค่แ ป, ป๊บเดียวแต่ชีวิตบนสวรรค์ยืนยาวนักเราเสียเงินไปนหลายสิบล้านก็จริงแต่ถ้าพ่อรักษาจิตไว้ได้ดวงเดียวมันก็ยิ่งกว่าพ่อรักษาสมบัติที่เหลือไว้ได้เป็นหมื่นล้านซสอีกที่ทางบนโน้ตเนี่ยต่อให้มีแสนล้านก็ซื้อไม่ได้นะครับพ่อจําได้ไหมตอนเด็กๆ เ, เนี่ยผมทาเงินหายร้องหนมร้องไห้ฟูมไฟ พ่อก็ะสอนผมเองว่าเงินหายสิบครั้งถ้าใจไม่หายเลยสักครั้งเดียวก็เหมือนไม่เคยมีอะไรหายไปอา้าวพ่อบอกเราอย่างนั้นเหรอจาไม่ได้เลยเนี่ยแล้วพ่อก็บอกอีกด้วยว่าสตังหายแล้วเสียดายเนี่ยสิ่งที่เราได้มาแทนสตังก็คือความเสียดายแต่ถ้าเงินหายแล้วตั้งใจใหม่ว่าจะระวังไม่ให้หายอีกสิ่งที่เราได้มาแทนสตังก็คือสติเออ พ่อพูดดีมนกันนะลูกนะเนี่ยคือสิ่งที่ผมจำได้ไม่ลืมนะครับแล้วพอถึงตาพ่อทําเงินหายไปผมก็แปลกใจเหลือเกินว่าทําไมพ่อถึงลืมคําพูดที่ล้ำค่ายิ่งกว่าเงินเนี่ยขอบใจนะลูกถ้าพ่อรอมใจตายไปก่อนหน้าเนี่ยก็อาจกําลังเป็นเปรตที่ต้องเสียดายชีวิตดีๆที่เหลือของตัวเองแลวเอาแต่คอยเฝ้ามองดูลูกเศร้าโศกอยู่ตามลาพังที่ส่งพ่อขึ้นฟ้าไม่ได้